ผลสูงสุดของสมาธิและสู่ความสมบูรณ์เหนือสมาธิข้อก่อผลสำเร็จและขอบเขตความสำคัญของสมาธิการเจริญสมาธินั้น จะประนีขึ้นไปเป็นขั้นๆโดยลำดับภาวะจิตที่มีสมาธิถึงขั้นอ ป, ปนาสมาธิแล้วเรียกว่าฌานฌานมีหลายขั้นมองดูง่ายๆว่ายิ่งเป็นขั้นสูงขึ้นไปเท่าใดองค์ธรรมต่างๆคือคุณสมบัติของจิตที่เป็นตัวกำหนดความเป็นฌานซึ่งเรียกว่าองค์ฌานก็ยิ่งลดน้อยลงไปเท่านั้นฌานโดยทั่วไปแบ่งเป็นสองระดับใหญ่ และแบ่งย่อยออกไปอีกระดับละ4รวมเป็น8อย่างเรียกว่าฌาน8หรือสมาบัติ8คือรูปฌาน4และอะรูปฌาน4รูปฌาน4ได้แก่ 1. ปฐมฌานฌานที่1มีองค์ประกอบ5คือวิตกวิจารปีติสุเอกคตา 2. ตุติยะฌานฌานที่สองมีองค์ประกอบสามคือปีติสุกเอกคตาสามตัติยะฌานฌานที่สามมีองค์ประกอบสองคือสุกเอกคตาสี่จตุตชฌานฌานที่สีมีองค์ประกอบสองคืออุเบคาเอกกตาอารุปฌานสี่ได้แก่ 1>, 1. อากาศสารนัญจายตนะฌานที่กำหนดอากาศคือช่องว่าง อ, น, อนันต์ 2. วิญญาณัญจายตนะฌานที่กำหนดวิญญาณ อ, อนันต์ 3. อากินจัญญายตนะฌานที่กำหนดภาวะที่ไม่มีสิ่งใดๆสี 4. เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานที่เลิกกำหนดสิ่งใดๆโดยประการทั้งปวง เข้าถึงภาวะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ในคำพีฝ่ายอภิธรรมเฉพาะอย่างยิ่งอภิธรรมยุคหลังรุ่นอัตกถาดีกานิยมแบ่งรูปฌานเป็นห้าขั้นเรียกว่าฌานปัญจกไนแล้วเรียกฌานที่แบ่งสีอย่างเดิมเป็นจตุกกไนทั้งนี้โดยซอยละเอียดออกไปจากรูปฌานสีนั่นเอง คือแทรกเพิ่มฌานที่สองเข้ามาอีกข้อหนึ่งระหว่างปฐมฌานกับธุติยะฌานเดิมเป็นธุติยะฌานฌานที่สองมีองค์ประกอบส่คือวิจารปิติสุขเอกกตาหรือพูดง่ายๆว่าฌานที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารแล้วเลื่อนทุติยะฌานเดิมออกไปเป็นตติยะฌานตติยะฌานเดิมเป็นจตุตฌานจตุตฌานเดิม เป็นปัญจมาฌานตามลำดับโด ย, น, ยนัยนี้เมื่อได้ยินคำว่าฌานห้าฌานปัญจกไนปัญจกัดฌานปัญจมาฌานไม่พึงสับสนหรือแปลกใจพึงทราบว่าเป็นเพียงการซอยละเอียดจากฌานสีนี้เองการเพียงพยายามบาเพ็ญสมาธิโดยใช้กลวิธีใดๆก็ตามเพื่อให้เกิดผลสำเร็จเช่นนี้เรียกว่าสมถะ มนุษย์ปุถุชนเพียรพยายามบำเพ็ญสมาธิเพียงใดก็ตามย่อมได้ผลสําเร็จอย่างสูงสุดเพียงเท่านี้หมายความว่าสมถะล้ว น, วนย่อมนำไปสู่ภาวะจิตที่เป็นสมาธิได้สูงสุดเพียงเนวสัญญานาสัญญาญตนะเท่านั้นแต่ท่านผู้บรรลุผลสําเร็จครบทั้งฝ่ายสมถะและวิปัสสนาเป็นพระอนาคามีหรือพระอรหรันต สามารถเข้าถึงภาวะที่ประณีตสูงสุดอีกขั้นหนึง่งนับเป็นขั้นที่9คือสัญญาเวทยยตานิโรธหรือนิโรธสมาบัติสัญญาเวทยตานิโรธแปลว่าความดับแห่งสัญญาและเวทนาเป็นภาวะที่สัญญาและเวทนาหยุดการปฏิบัติหน้าที่และเป็นความสุขขั้นสูงสุดสมาธิเป็นองค์ธรรมที่สำคัญยิ่งข้อหนึ่งก็จริง แต่ก็มีขอบเขตความสำคัญที่พึงตรักว่าสมาธิมีความจำเป็นแค่ไหนเพียงใดในกระบวนการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงวิมุตต์อันเป็นจุดหมายของพุทธธรรมขอบเขตความสำคัญของสมาธิอาจสรุปได้ดังนี้ 1. ประโยชน์ของสมาธิในการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายของพุทธธรรมนั้น อยู่ที่นำมาใช้เป็นที่ทำการสำหรับให้ปัญญาปฏิบัติการอย่างได้ผลดีที่สุดดังที่ว่าทำจิตให้ควรแก่งงานและสมาธิที่ใช้เพื่อการนี้ก็ไม่จำต้องเป็นขั้นที่จเจริญถึงที่สุดลํำพังสมาธิอย่างเดียวแม้จ ะ, จะเจริญถึงขั้นชาญสูงสุดหากไม่กล้าไปสู่ขั้นการใช้ปัญญาแล้วย่อมไม่สามารถทำให้ถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้เป็นอันขาด 2. ชาญต่างๆทั้ง8ขั้นแม้จะเป็นภาวะจิตที่ลึกซึ้งแต่เนื้อเมื่อเป็นผลของกระบวนการปฏิบัติที่เรียกว่าสมถะอย่างเดียวแล้วยังเป็นเพียงโลกีเท่านั้นจะนำไปปะปนกับหยุดหมายของพุทธธรรมหาได้ไหม 3. มในภาวะแห่งชาญที่เป็นผลสำเร็จของสมาธินั้นกิเลสต่างๆสงบระงับไปจึงเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นเหมือนกัน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 ความหลุดพ้นด้วยข่มไว้คือกิเลสระงับไปเพราะถูกกำลังสมาธิข่มไว้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้ายกแผ่นหินออกเมื่อใดหญ้ยาย่อมกลับงอกงามขึ้นได้ไหม